อย่าโยมพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สําหรับวันนี้ก็คงพบกบับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเรื่องในเรื่องของท่านวิทุรบัณฑิตแอตอนนี้แล้วก็ตอนที่แล้วน่าจะนามว่าวิทุรบัณฑิตสอนลูกแต่ความจริงคําสอนของท่านน่ารักจริงๆ สดชื่นจริงๆวันนี้ก็ไม่ขอทานไม่หรอกไม่ขอทนของเดิม <c oughs> ก็เยาะว่ากันไปเลยนะบรรดาญายโยมพุทธบริ ษ, ษัทอย่าลืมพระราพถทพอใจแล้วก็เทพที่วัตเขามีนะแต่ความจริงเทพที่วัตมีเนี่ยไม่ได้โฆษณาขายเพราะว่าตามที่เขาเอาออกจาหน่ายไปราคามันไม่เท่าเทพเปล่าในท้องตลาด ถามว่าขาดทุนไหมก็ต้องตอบว่าได้กําไรได้กําไรตอนไหนได้กําไรตอนที่พระพุทธเจ้าตรงสกล่าวว่าสัพทานนางธรรมทานนางชินาติการให้ทําเป็นทานยนท า, านทั้งปวงฉะนั้นส่วนที่ขาดจึงถือว่าเป็นธรรมทาน <c oughs> คุยกันเรื่องต่อไปในเรื่องราวที่ท่านวิทุรบัณฑิต ท่านสอนลูกชายของท่านต่อเป็นว่าท่านบอกว่าเป็นข้าราชการจะต้องเป็นคนที่มีท้องน้อยดุดเจคันธนูเอาเราสิมาล่ะ <c oughs> เอ๊แต่ว่าขัา้นการสมัยปัจจุบันนี้ท้องน้อยแต่ท้องอย่างมันมีสมัยหนึ่งนะท่านเรียกว่าพุงย่างคือท้องอย่างก็กินอะไรเข้าไปมันก็ยืด มันเลยไม่รู้จักเต็มคือหมายความว่าเขารวยกันจนแสนรวยในเฉพาะบางคนในสมัยนี้นานมาแล้วนะเรื่องนี้นานมาแล้วตั้งแต่สมัยปู่จะมาเป็นเด็กตอนนั้นท่านบอกว่ามีคดีการรุ่นหนึ่งเรียกว่าคณะหนึ่งเป็นคนท้องอย่าง แล้วว่าเป็นคนพวงอย่างอตาตมาโตแล้วตอนนี้กําลังจะรับราชการอยู่สมัยนั้นแ <c> ต <oughs> ่ก็เรียกไปท่านบวกหลานรักปู่รับราชการมาจนทั้งแก่ปู่ก็ไม่รวยแต่ว่าปู่ไม่รวยปู่ก็ไม่จนปู่เป็นคนมีจิตสบายเขาลือก็ว่ากงที่ไหนกินที่ไหนปู่ก็มีใจเป็นสุข ที่ว่าเรามีน้อยแล้วก็กินน้อยเรามีมากแล้วก็กินมากกินน้อยกินมากกินของดีกินของเลวก็กินเสียงรสอาหารจะปรุงแบบไหนก็ตามมันก็มีรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานรสขมไม่ก็มีแค่นั้น <c oughs> กินหมูก็อิ่มกินผักจิ้มป ร, ราน้าพริกก็อิ่ม <c oughs> กินปลาก็อิ่มไม่จำเป็นต้องเลือกกินกินเพื่ อ, อยางชีวิตให้ทรงตัวอยู่และถ้าเป็นขั้นรการจงยาโทษจริตทำตนเป็นคนพงยางนะท่านชี้ตัวอย่างว่าสมัยท่านเป็นเด็กเห็นขันรการพงยางกินข้าวใบไทรมันก็ไม่อิ่มมันยืดออกมายืดออกมายืดออกมา <c oughs> แต่ว่าที่สุดของยางมันมีอยู่ นั่นก็คือพราะบางจัดยัดเข้าไปพงแตกตอนนี้ความชั่วปรากฏ <c oughs> นิระบรรดาญาโยพุทธบริษทใไอเรื่องพงยางนะันมันไม่ดีแกคิดว่าใครเขาไม่รู้นัตติโลกเกลลโหนามะความรับไม่มีในโลกคุยเรื่องของท่านต่อไปดีกว่าท่านบอกว่าถ้าเป็นขา้าราการ ต้องเป็นคนมีท้องน้อยเหมือนกับคันธนนูคือว่าอย่ามักใหญ่ฝ่ายสูงจงใหญ่แล้วก็อย่าเห็นก็ได้ฝ่ายเดียวต้องเป็นคนที่มีลิ้นเหมือนปลาไหมลิ้นปลาบีไงนอ้องมีลิ้นเหมือนปลาคือไม่จินจ้าหาเรื่องให้เดือดร้อนให้เครืองพระราชัฤทัยแล้วก็ต้องเป็นผู้มีอาหารน้อย คือไม่มักมากในลาภผลที่จะใช้จ่าย ใ, ให้ฟุ่ม <c oughs> เฟือยพึ่งสอดส่องรักษาราชกิจไม่ผิดพระราชประเพณีต้องกล้าพอที่จะสู้กับอุปสรรคคือแก้ข้อของใจแล้วก็ไม่มัวเมาในอิสตรีไม่สัมผัสเป็นเหตุให้สิ้นเดชแน่ ไอ้โมเมาเรื่องผู้หญิงกินอะไรต้องให้หนูป้อนเริ่มเมื่อสิ้นเดชอันเป็นเหตุแจริการต่อสู้กับความหลงแล้วนะเมื่อสิ้นเดชอันเป็นเหตุต่อสู้กับความหลงเช่นแล้วผลก็คือไอเรื่องหอบกระวนกระวายแล้วก็อ่อนกําลังออืฟังให้ดีย้อนตรงนี้ท่า น, นิดที่าว่าอย่างไงเนาะออื ไทยว่ายัางไงคือไม่พึงมัวเมาในอิสตรีเพราะสัมผัสเป็นเหตุให้สิ้นเดช น, นี่หมายความว่าสุรานารีภาชีจิระบัตเป็นทางแห่งความชิบหายของบุคคลคนหลงอยู่และท่าพูดต่อไปว่าเมื่อสิ้นเดชอันเป็นเหตุต่อสู้กับความหลงแล้ว คนที่จะได้รับก็คือไอหรือหอบหมายความมันทุกข์อ่ะกระวนกระวายและอ่อนกำลังหมดฤทธิ์หมดแรงหมดทรัพย์สินหมดศักดิ์ศรีมันก็มีแต่ความทุกข์ <c oughs> <c oughs> เป็นอนุคุยกันต่อไปท่านบอกว่าอย่าพูดมากจงเกินประมาณนะเืออย่าเป็นนักฟุง้ง พูดมากเกินไปเฟอ้อมันต้องดูความสามารถคนตัวซสียก่อนแล้วก็จงจะนิ่งเสียทีเดียวก็ไม่ควรในเมื่อทิ้งครจะพูดก็พูดพอประมาณไม่มพร่มเพื่อต้องอดทนไม่ฉุนเฉียวไม่โกรธง่ายแล้วก็อย่ากระทบกระเทียบเปรียบเทียให้รำคาญหูคน รักษาสัตว์ระวังถ้อยคำมิให้ปฏิบัติจากความเป็นจริงเอาละรเอาใ ห, หม่นะรักษาสัจจะระวังถ้อยคำมีให้วิบัติจากความเป็นจริงคือไม่ให้ผิดจากความเป็นจริงพูดถ้อยคำที่นิ่มที่นุ่มนวลควรดื่มไว้ใจไว้ในใจนะพูดแต่ถ้อยคำที่นุ่มนวล ควรดื่มไว้ในใจอย่าเป็นคนส่อเสียดเดียดฉันก่อความบาดหมางในหมู่คณะไม่พูดเพื่อเจอเหลวไหลน้าฟังน่าฟังฟังแล้วเข้าใจแล้วไม่เข้าใจก็าตามใจทำได้แล้วไม่ได้ก็เป็นเรื่องของท่าน แต่ว่าคนพูดเห็นว่าคิดว่ามีประโยชน์มากที่ต่อไปท่านก็สอนต่อไปว่าเป็นข้าราชการจะต้องบำรุงเลี้ยงมันดาบิดาให้ผาสุกว่าแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในได้คุณคุณจะเกื้อกคุณนอบน้อมให้ชอบทำหมายความว่าคนจะนอบน้อมอ่อนอ่อนประณี ไม่ตีเสมอท่านควรจะมีหิริความอายโอตปะความกลัวคือว่าอายความชั่วถ้าเราจะทำความชั่วแล้วรู้จักหน้าบางๆสับ้างอย่าให้มันหนามึงก็หน้าถนนไอ้หน้าถนนนะรถวิ่งไปวียงเกวียนลิ่งไปคนเดินไปมาช้างมา้าโคกระบือเดินไปมันไม่รู้สึก อย่างนี้เขาเรียกว่าหน้าถนน <c oughs> แต่ว่าเป็นขั้นการจะต้องทําเป็นหน้าผิวเปิืกเปลือกระเทียมผิวเปิืกกระเทียมเนี่ยมันผิวบางๆหน้าบางๆรู้จักไอายอายความชั่วอายความทุจริตแล้วก็มีอตับะเกรงกลัวว่าหน้ามันจะขาดคือผลเรื่องความชั่วเนี่ยมันจะฉีดหน้าให้หน้าขาด แล้วก็ควรจะพบควาเดี๋ยวก่อนควรปฏิบัติตนให้เป็นกัิยานำมิคือมิธิดีงามกัญญาในงามนะ <c oughs> คือมีความประพฤติ ด, ดีหนึ่งไม่ทำตนให้ผิดกฎหมายท้องสองไม่ทำตนให้ผิดกฎข้อบังคับในการปฏิบัติคือระเบียบปีใน สามไม่ป่าฝผนประเพณีสี่มีศีลธรรมอย่างนี้ เ, เรียกว่าหน้าเปลือกเปลือกกระเทียมไม่ใช่หน้าถนนนะแล้วก็ต่อไปจึงบำรุงจิตและความประพฤติให้ดีงามเรีกว่ามีฮีดิสอุตละนั่นแหละหน้ามันดีแล้วก็มีเมตตาทรงพมิหันสี่ แล้วควรจะมีอาจาระสมบัติอาจาระแปลความประพฤติทั่ว <c oughs> พูดง่ายๆว่าควรจะมีปฏิปทาคือความประพฤติทั่วไปด้วยความดีที่ได้ฝึกหัดไม่ดีแล้วแล้วก็มีศิลปะคือศึกษาพอสา ม, มารถในราชกิจ หมายความว่ามีความรู้ด้วยมีความสามารถด้วยในการปฏิบัติราชการไม่ใช่ว่ามันนั่งทุจริตคิดไม่ชอบถ้าต่อไปท่านกล่าวว่าจงรู้จักข่มจิตไม่ทําตนให้วิปริตเพราะขาดสังวรให้คำว่าสังวนในความระระวังสํารวมนะอย่ามัดระวังคือ ว, ว่าข่มใจไว้ไม่ทํา ตนให้ขาดจากการสํารวมคือเรามั่ระวังว่าวินัยมียังไงกฎหมายมียังไงประเพณีมียังไงศีลธรรมมียังไงหน้าที่ของเราควรปฏิบัติยังไงอันนี้ต้องทําใจให้สม่ําเสมอถึงแม้จะยากลาบากอยู่บ้างจะวุ่นวายอยู่บ้างก็ช่างถือว่ามันเป็นหน้าที่เราต้องทํากิจนี้ให้มันดีที่สุดที่พึงดีได้ แล้วต่อไปทั้งว่าจงมีตนฝึกฝนพร้อมทั้งวิทยาคือความรู้และก็จริยาคือความประพฤติเน่ยจริยาสมบัติเป็นผู้คงไม่แปรผันทั้งในคราวสมบัติและมีบัติตอนนี้จะบอกว่าคือไม่ดีใจลิงโลดในเวลาที่มีโชค และก็ไม่เศร้าโศกเมื่อเวลาที่มีเคราะรารนี่สมบัติวิบัติหมายความคงเป็นผู้คงที่หมายความมีอารมณ์ทรงตัวเราเคยทรงกำลังใจยังไงก็ปฏิบั ต, ติตนให้ทรงยู่แบบนั้นถ้าสมบัติใหญ่ได้ลาบสการะบางทีก็ลิงโลดทะยือทยานเพ่นพ้นโจนทยาน เขาแสดงว่าชั้นเนี่ยเด่นชั้นเนี่ยดีโอ้โอดด้วยประการทั้งปวงนี่ริงโลดโดโดโ ต, ตินแต่พึ่งคราววีบัดเขาผลักให้กระเด็นไปมโมโหโทโสนั่งเศร้าและประกอบด้วย ก, การตีเสมอดิศยาใจาท่านหมายความแหมเวลาจะไม่ทําทำงานนั้นก็นั่งด่าฉบ้านให้มันชอบใจ ถ้ากูทําแล้วก็จยต้องทําแบบนั้นทําแบบนี้จะได้มีประโยชน์อย่างนั้นมีประโยชน์แบบนี้แต่ว่าเวลาที่มีเวลาทําความดีไม่ยากทําทําแต่ความชั่วเห็นก็ตัวเป็นใหญ่อย่านี้ถือว่าไม่ควรปฏิบัติท่าน <c oughs> กล่าว ต, ต่อไปว่าจงอาศัยความอ่อนโยนไม่เย่อหยิงนะไม่ประมาทในราชกิจ มีความประพฤติสุจริตและขยันไม่เกียจคร้านในการปฏิบัติขันโนบรมรงการปฏิบัติธนุอรมรงในหน้าที่ราชการที่ตนจะพึงยารรมรำน ะ, ะแล้วต่อไปท่านก็บอกว่าถ้าเป็นข้าราชการรือว่าเป็นข้าราชการควรจะประพฤติอ่อนน้อมมีความเคารพยำเกรงในผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นคนเรียบร้อยทั้งกายและวาจาให้ผู้ที่สมาคมคบหารับความสุขทั้งกายและใจทูตตามประเทศที่เขามาส่งเขาที่เขาส่งมาด้วยด้วยเรื่องเรื่องด้วยความลับควรเว้นไว้ให้ห่างไกลอย่าเข้าไปใกล้เคียงนี่ไหมความเขาส่งทูตมาเพื่อความลับอย่าเข้าไปยุ่ง พึงเอาใจใส่ดูแลแต่เจ้านายของตนอย่าสารวจนด้วยคนของราชบรปักเพราะพึงดูแลใจใส่แก่แต่เฉพาะนายของตนอย่าสารวจนด้วยคนของราชบรปัก นี่หมายความควรจะทะนุบำรุงบ้านเมืองของตนคนของตนในประเทศของตนให้มีความสุขอย่าไปรับสินบายค่าสินบนอย่าเป็นขี้ค่าศัตรูที่ทําลายชาติใช่ไหมจำไม่ได้นะเวลานี้มีไหมรับเงินกันละสี่พัน 4, ล้านมีบ้างไหม <c oughs> นี่สมมตินะนะเขาว่าให้หนึ่งล้านไม่เอา ประเทศชาติของฉันแมเอาฉันจะอยู่ให้มันสุกแกมาเป็นนายฉันเด็กแกก็ขับฉันอ๋อก็เลยให้ร้อยล้านเอาไหมไม่เอาถ้าพันล้านเอาไหมไม่เอาสี่พันล้านเอาไหมเชักหน้ามึดชิญหน้ามึดเอาเงินมาวางทับตัวตั้งสี่พันล้านเนี่ยตายนี่สมมุติเอานะแต่เรื่องปัจจัยคือเงินเนี่ยน้อมัตระวังมา ก, มากเพราะทาให้ใจอ่อนง่าย <c oughs> ท่านสอนต่อไปว่าค่าเต็งค่ายาการเมื่อหวังความจเจริญแก่ตนควรเข้าหาสมาคมพราหมณ์ผู้มีศีลที่เป็นพระสูตรและก็สมาทานศีลบำรุงด้วยข้าวในน้ำแล้วก็พึงไต่ถามบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แกพระสมณชีพรามนั้น ความจริงสมณชีพรามเนี่ยก็ย่อมเป็นคุณกับประเทศชาติครือราชการอยู่มากเพรข่าวต่างๆนักจะมารวมอยู่ที่วัดฉะนั้นแกนสัตว์ในสมัยโบราณในคั้การสมัยนั้นท่านยิงใกล้คิดวัดการบริหารราชกิจของท่งานจิงเป็นไปด้วยดี อ่าต่อไปทำยังไงเป็นขริการต้องเป็นผู้สุ ข, ขุมรอบคอบฉลาดในราชกิจและก็สามารถจัดการให้นำเนินไปได้เรียบร้อยรู้จักการรู้จักสมัยว่าควรไม่ควรจะปฏิบัติยังไงนี่ต้องฉลาดติงกาต่อไปว่าบุตรหรือพี่น้องวงญาติผู้ไม่ตั้งอยู่ในสีจารวสีจารวัด ศีราจารวัตนะน่ะไหมบุตรหรือพี่น้องกองญาติผู้ไม่ตั้งอยู่ในสีราจารวัตไม่ควรยกย่องให้เป็นใหญ่ปกครองในหมู่คณะเพราะว่าเขาเป็นคนพาลคือคนเลวอันคนพาลไน้กล่าวว่าไม่ใช่ญาตินี่หมายว่าถ้าใครเขาเลวนะสั่งสอนแนะนำกันไม่ได้ ว่าฝืนเอานอกรูกนออกทานเนีต้องถือว่าคนนั้นไม่ใช่ยากอืมเปรียบเหมือนคนตายที่ถอดถูกพอดทิ้งไว้แล้วในป่ามีแต่ยแพรนซั์ให้พี่นาศและไ่อาจจะยางราชกิจให้สมบูรณ์ได้คนเช่นนี้ไม่ควรยกย่องแต่เมื่อเขาเข้ามาก็าหาคนให้เสื้อผ้าและอาหาร พอเลียงฉีฟังอีกนิดหนึ่งท่านบอกว่าคนผ่านมีแต่ยะพรนทรัพย์ให้ปีนาตไม่ควรจะคิดว่าเป็นญาตินะและก็ไม่อาจจะทำราชกิจเิรืการให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้คนเช่นนี้ก็ไม่ควรจะยกย่องเว้นไว้แต่ว่าเมื่อเขาเข้ามาหา ก็ควรสงเคราะห์เกื้อกูลได้เสื้อผ้ารอาหารพอเลี้ยงชีพไม่คว้ามไม่ตัดเสีนเลยไม่ครบไม่ปฏิบัติด้วยไม่เดินตามแต่เขาจะอดตายก็ให้เขาบ้างตามสมควรไม่มากนักนะเนก็ยท่านว่าดีแต่ว่าผู้ท้ามสมรรมรผู้ใดที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนขยันมันเพียร ก็ควรจะยกย่องให้เป็นใหญ่ปกครองในหมู่คณะนี่หมายความถ้าญาติไม่ดีก็จะยกย่องแต่ถ้ากรรมกรลูกจ้างคน ร, รับใช้ถ้าเขาดีมีศีลธรรมมีความสามารถเราตั้งให้เขาเป็นใหญ่ในตะกูลในหมู่คณะในงานที่เราจะพึงปฏิบัติได้อ น, นิีแ้แหม่น่ารักน่ารักท่านให้เลือกเอาแต่คนดีจริงๆ ท่ากล่าวต่อไปว่าเป็นขรีิการพึงประกอบไปด้วยศีราจารวัรมีสัจธรรมไม่ละโมบโลบมากไม่เห็นแก่ได้จนออกหน้าออกตาพึงประพฤตจจิตามใจเจ้าตามใจเจ้ า, าไม่เข้าข้างคนผิดนะว่าจงประพฤติตามใจเจ้านะ ไม่เข้าข้างคนผิดมีความจงรักภักดีคงที่ต่อหน้านลับหลังต้องรู้จักพระราชนิยมทื่พระราชานี้ชอบใจอะไรพระราชนิยมนะและก็ปฏิบัติตามพระราชประสงค์อย่าขัดพระราชาธิยาสัย เวลาที่ผัดผ้พาพระพูสาและก็สงสานพนึงก้มศีรษะชำระพระบาทแม้จะทรงกริ้วก ร, ราดก็ต้องอมแม้จะทรงกริ้วก ร, ราดต้องพระราชอาริยาก็อย่ามีการโกรธตอบอนี่หมายความว่าท่านจะโกรธท่านจะกริว้วจงอย่าโกรธตอบนะ ไอ้ตัวขันติเนี่ยมันทําให้เกิดความสุขท่านสอนต่อไปว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้เป็น ผ, นผู้เป็นที่พึ่งที่พึ่งสักระบูชานี่หมายความว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นผู้ที่ควรจะเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราก็ควรศัการะบูชาเพราะว่าพระองค์ พระราชทานทั้งที่นอนหมอนมุ้งผ้านุ่งผ้าหม่มยวดยานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสามารถจะบรรดาลพวกสมบัติใดๆคืออิสติยยศและบริวารยศให้ตกทั่วถึงกันเหมือนกับมหาเมกผลที่ทา เ, เหมือนกับมหาเมกที่ทำให้ฝนตก พั่วไปแกมูสัตว์จรึงสมควรี่จโบชาพระองค์ท่านโดยแท้จริงนี่พยายามพูดช้าๆเพื่อประโยชน์กำบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้รักฟังถ้าเรงคานว่าเนิบๆ เ, เกินไปเราขอภัยด้วยว่าเร็วหรือเดี๋ยวตั้งระบอกฝังไม่ทันแต่พูดอย่างนี้จตมาพูดแล้วริงจำไม่ได้เลยว่าพูดอะไรบ้างไปบ้าง ท่านผู้ฟังอาจจะจำได้ดีว่าจะมาในเวลานี้ที่ว่าเป็นนเรียนอนุบาลด้วยกันก็แล้วกันนะหรือบางทีบรรดาญาโยมพุทธบริษัทอาจจะตกอยู่ในฐานะนักเรียนชั้นมัธยมหรือชันอุ ด, ดมแต่จะมาเองในกำลังเป็นอนุบาลกำลังศึกษาอยู่ด้วยต่อไปท่านบอกว่านี่แหละเจ้าทั้งหลายคือ ราชะวะสดีธรรมหมายความว่าทำที่ทําความดีแก่ในในราชกิจในฐานะที่เป็นขา้าราชการของพระราชาสําหรับขา้าราชการก็ควรจะประพฤติตามจะได้มีจะได้เป็นที่โปรดปรานรับความนับถือจากเจ้านายทั้งหลายท่านรวมความว่าขา้าราชการทั้งหมดเนี่ย ถ้าทำอย่างนี้นะไม่ใช่ทำแกพระราชาองค์เดียวแม้แต่ผู้เข้าประชาชั่นรองรอ ง, งมาแล้วก็ควรจะปฏิบัติแบบนี้ถ้าปฏิบัติแบบและได้แบบนี้ความดีมันทรงตัวเราก็มีแต่ความเจริญเีตการสรุดตัวไม่มีเป็นอันว่าค่ายการที่ฉลาดสมัยหนึ่ง มีความจริงมีหลายท่านแต่ยกตัวอย่างท่านหนึ่งเช่นอะไรหลวงวิจิตวาฒการท่านผู้นี้ราชการของท่านไม่ตกไม่ว่าใครจะขึ้นมาหลวงวิจิตก็มีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตลอดเวลาจนกระทั่งสิ้นชีวิตตึ้งหลายๆคนเพื่อ ก, กันพับฐานไปหมดแต่ปรากฏว่าท่านจเจริญขึ้น ก็จงดูตัวอย่างว่าท่านหลวงวิจิตวาฎการน่ะท่านมีความฉลาดขนาดไหนท่านใช้อะไรความจริงโหลวงวิจิตวาฎการเป็นป ร, ริญญาห้าประโยคท่านอาจจะเอาคําสอนของธรรมบิดธุ ร, ร, รัตนิติตนี้ไปปฏิบัติก็ได้ฉะนั้นข้าราชการทั้งหลายที่ยังคิดว่าท่านยังฉลาดไม่พอก็ลองนําไปประพฤติปฏิบัติแต่คิดว่าท่านมีความเห็นฉลาดกว่านี้ก็ไม่ต้องนํามาไป ท่นนี้ที่ัที่กล่าวมานี้พมสมเด็จพระจอมไตรบ ร, ริมศาสันดาลทรงเทศไว้เป็นธรรมทานหมายความว่าเอาของนี่ไปตั้งวางไว้เป็นสาธารณะใครจะใช้ใครจะบริโภคก็ได้ใครไม่ใช้ใครไม่บริโภคก็ได้ถ้าที่พูดมานี้ก็เช่นเดียวกันอาจจะมาในฐานะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทนัน ก็ขอพูดไว้เป็นกลางกลางนังสือท่านบอกว่าข้าราชการอาตมาก็บอกว่าข้าราชการแต่ที่พูดมานี้นั้นอาตมาก็บอกแล้วนี่ไม่ใช่ปัญญาของอาตมาเองเป็นพระพุทธพจน์บทพระบาลีพระองค์สมเด็จพระจินทร์สีที่ทรงตรัสไว้ในเรื่องวิธุระบัณฑิตว่าสมัยนั้นพระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นธุระบัณฑิตเ้อคุยกันต่อไป เมื่อเมื่อพระวิธูระบันดิตสั่งสอนบทพัญญาจบลงก็เป็นเวลาทึงสามวันตามกำหนดพอดีโอโหพอรุ่งเช้าจึงได้อาบน้นชำระร่างกายและบริภโภคโภชนอาหารุดเลิกต่างๆเสร็จแล้วจึงดีพาหมูญาติไปสู่พระราชนิเวทเพื่อเข้าเฝ้าทุนลาไปกับมานพ ถวายบังคมแล้วก็กราบทูลว่าไปไหมเมื่อขอเดชะฆ่าแตบพระองค์ผู้จอมราชข้าพระองค์เจขอถวายบังคมลาใต้ฝาน อ, อ่อนธุลีสบาทไปกลับมานบในวันนี้เขาจะนําไปร้ายดีอย่างไรก็ยังไม่ทราบกล่าวก็ยังไม่ทราบกล่าวกล่าวกรมม จะขอใต้ฝ่าองธุรีพรบัติาททรงคอยฟังข่าวด้วยข้าพระพุทธเจ้าขอฝากพัญญาญาติและก็มิตรของข้าพระองค์ขอให้พระองค์ทรงกรุณาชุบเรี้ยงเหมือนเมื่อข้าพระพุทธเจ้ายัางพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่การที่ข้าพระองค์ตอบคําถามของมานพว่าเป็นธาตุนั้น ข้อนี้เป็นความผิดพาดของข้าพระพุทจของข้าพระองค์เองนะข้าพร ะ, พ ร, ะ, ร, าพ ร, ะราชาธิยาไม่พ้นกล่าวข้าพระองค์เห็นโทษแล้วขอพระองค์จงมีพระมหากราุณาพระอ่าพระราชอาอาภัยโทษแก่ข้าพระองค์ได้เถิดข้าพระองค์ไม่ได้มีที่พึ่งอื่นอีกแล้วแม้พระผิด นั่นพลาดครั้งในใต้ฝ่าระองค์ทูลฎีธรรมบาตบรเป็นระการใดก็ขอได้โปรดเป็นที่พึ่งโบรมโพธิสมภัยของข้าพเจ้าต่อไปเถิดไปเจ้าค่ะตอนนี้คุูครักเป็นนิดเพราะระวังเวลาเป็นมรรดาต า, าโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนหนนาตอนนี้วิทุระบัณฑิตกำลังลาพระราชาจะต้องไปกับปุณกยักษ แต่ความจริงตอนนี้ปุณ น, น, นกระยักเข้าใจผิดคิดว่าเขาต้องการแต่หัวใจจึงมุ่งทำร้ายวิทุรบันดิตตว่าเกียรติเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บรรดาท่านผู้บริษัทจะควรรับฟังในวันต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอราก่อนขอความสุขสวัสดพิพิพฒนะมงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี